จิตขึ้นภูมิวิปัสนาด้วยการตามรู้ความคิดหรือพิจารณากายถ้าหากลมหายใจปรากฏขึ้นมาจิตก็กำหนดดูลมหายใจเพราะอาศัยกำลังสมาธิที่เข้าไปอยู่ในอัปปนาแล้วถอนออกมาย่อมมีกำลังและมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาจดจ้องตามรู้ความคิดอันนั้น รู้อยู่เฉยๆอย่าไปวิพากวิจารณ์ว่านี่คืออะไรอย่างไรอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้อยู่ที่จิตไม่ต้องไปคิดว่านี่คืออะไรหรือนี่เป็นนั่นนั่นเป็นนี่เพียงแต่กำหนดรู้อยู่ที่จิตเท่านั้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต จิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของตนเมื่อนักปฏิบัติเกิดความคิดขึ้นมาแล้วกำหนดตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นมานั้นแล้วจิตจะยึดเอาสิ่งที่รู้ภายในจิตนั้นเป็นอารมณ์เรื่อยไปหรือบางทีถ้าหากจิตไม่ยึดเอาความคิดนั้นเป็นอารมณ์เครื่องรู้จิตอาจจะวิ่งเข้ามาภายในตัวเองแล้วก็มาค้นคว้าเฝ้าดูอยู่ภายในโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้มีท่านนักปฏิบัติผู้หนึ่งซึ่งเป็นโยมผู้หญิงมาจากกรุงเทพมหานครมาถามปัญหาและเล่าความเป็นไปของเขาว่าเขานั่งสมาธิภาวนาและพอกำหนดจิตลงไปจะมองเห็นโครงกระดูกเกิดขึ้นแต่แล้วโครงกระดูกนั้นจะวิ่งเข้ามาพาตัวของเขาเองแล้วโครงกระดูกนั้นหายไป กลายเป็นตัวของเขาเองและจิตผู้รู้ก็จะค้นคว้าพิจารณาดูร่างกายของเขาทั้งหมดเริ่มตั้งแต่ดูหนังดูเนื้อและดูโครงกระดูดดูส่วนต่างๆของร่างกายรู้เห็นไปหมดจนกระทั่งในที่สุดร่างกายของเขาก็ปรากฏเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็หลุดออกจากกันหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในที่สุด กระดูกทั้งหมดก็แหลกละเอียดเป็นผงหายไปในแผ่นดินยังเหลือแต่สภาวะจิตที่จิตสงบว่างสว่างไม่มีนิมิตเครื่องหมายอะไรในขณะนั้นและจิตของเขาก็ผ่านนิมิตที่เป็นมาอย่างนี้นิมิตที่มองเห็นรู้ด้วยจิตนั้นไม่ได้เกี่ยวกับประสาททางตาแม้แต่ประการใดเป็นเรื่องของความรู้ที่เกิดขึ้นในจิตโดยเฉพาะ แล้วเขามาถามว่าอาการที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไงอัตมาก็เฉลยว่าอาการที่เป็นอย่างนี้จิตของคุณนั้นพิจารณาดูอสุภกรรมฐานในเบื้องต้นแล้วในที่สุดธาตุวัฏฏฐานมันก็ปรากฏมาพร้อมกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแหลกละเอียดสลายลงไปนั้นมันคงบอกว่ามันหายลงไปในพื้นแผ่นดิน มันก็แสดงให้คุณรู้เห็นแล้วว่าร่างกายของคุณทั้งหมดเนี่ยมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันอยู่คำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีที่เรียกว่าคนสัตว์นั้นเป็นไปตามภาษาสมมติบัญญัติของโลกโลกเขาพากันเรียกกันแล้วบัญญัติชื่อขึ้นมาเรียกกันในเมื่อเขาบัญญัติชื่อขึ้นมาเรียกกันอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปหลงสมมติบัญญัติของตัวเอง สำคัญว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขา